กปลาไลมาใส่ใบผิงแกงกระทิงต้มขาต้มขาแกงปลาไลมาใส่ใบผิงแกงกระทิงต้มขาต้มขาบอกหนูคําเดียวก็ได้ยํา ม, มากเกินไปแกงไม่แล้วนะ มายืนจ้องอำบให้ต้องคายหนะ้าคนอะไรไม่มีงานทำมายืนจ้องอำและให้ต้องคายหนะ้าคุณน้าของกริวสินเนียดูอาบลิ้มเมียยังไม่เปียกเลยนะ ต้องมานั่งสักคาตาตายตายดูสิดูสิคนดีๆีนี่อยากจะหากองนั้นผ้าเมียในนอกซักบอกเองหมดเลยนะคนอะไรไม่มีงานทำมายืนจ้องอำไม่ต้องขายนาคนอะไรไม่มีงานทำมายืนจ้องอำเล้ต้องขายนาคุณน้าของกริวสิเนียหน้าแดงเลยเนี่ยดูอาบลิงเมียยังไม่เปียกเลยนะ